หกพิจารณารูปที่เกิดจากจิตรูปที่เกิดจากจิตย่อมปรากฏในขณะที่สมณนัสหรือโทมนัตเกิดขึ้นดังข้อความในคมภีวิสุทธิมารคว่ารูปที่มีจิตเป็นสมุดฐานย่อมปรากฏด้วยเนื่องด้วยจิตที่อาศัยสมณนัสหรือโทมนัตข้อความนี้กล่าวไว้โดยมุ่งจะแสดงเวทนาที่ปรากฏชัดเท่านั้น ในบางขณะจิตที่วางเฉยอันเป็นจิตสั่งที่ต้องการจะนั่งลุกเหยียดคูก็ปรากฏได้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมที่รู้เห็นสภาวะของรูปนามแล้วดังนั้นในขณะที่ความสมนัสหรือโทมนัตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบุคคลควรกำหนดจิตสมนัสและรูปที่เกิดขึ้นในเวลาสมนัสหรือ กำหนดจิตโทมานัตและรูปที่เกิดขึ้นในเวลาโทมนัตว่ารูปนี้เป็นไปในเวลาโสมานัตยังไม่ทันถึงเวลาโทมนัตก็ดับไปในเวลาโสมานัตนั่นเองแม้รูปที่เป็นไปในเวลาโทมนัตก็ดับไปในเวลาโทมนัตนั่นเองไม่อยู่เหลือถึงเวลาโสมานัตดังนั้น แม้รูปที่เกิดจากจิตก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนในทำนองเดียวกันเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดจิตสั่งที่ต้องการจะทำอกกับกิริยาอย่างใดอย่างหนึง่งพร้อมได้รูปที่เกิดในขณะนั่งเป็นตน้นย่อมรู้เห็นว่ารูปเหล่านั้นดับไปในขณะนั่งเป็นตน้นจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน ผู้ที่รู้เห็นพระไตรลักษ์ในจิตตัชรูปตามในที่กล่าวมานี้ยอมเข้าใจว่าสังขารทั้งหลายมีขนาสั้นไม่ตั้งอยู่นานดังข้อความกล่าวว่าชีวิตอัตภาพสุขและทุกข์เป็นเพียงสภาวะธรรมล้วนประกอบด้วยขณะจิตเดียวขณะผ่านไปรวดเร็วข้อความนี้หมายความว่า สิ่งที่คนในโลกสำคัญว่าเป็นชีวิตอัตภาพสุขและทุกข์ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นและดับไปตามเหตุปัจจัยดำรงอยู่เพียงขณะจิตเดียวเท่านั้นแม้ช่วงเวลาร้อยปีที่ผ่านไปเร็วไม่ตั้งอยู่นานพรมเหล่าได้ดำรงอยู่ตลอดแปดมืนสี่พันมหากัรแม้พรมเหล่านั้น ก็ไม่ได้ดำรงอยู่ในสองขณะจิตโดยแท้ข้อความนี้หมายความว่าเหล่าพรหมชั้นเนวสัญญานาสัญญาญาตนามีอายุนานถึงแปดนสี่พันกับก็มีชีวิตอยู่เพียงชั่วขณะจิตเดียวเหมือนมนุษย์นั่นแหละคันที่ดับไปแล้วของผู้ที่กำลังเสียชีวิตหรือของผู้ที่ดำรงอยู่ในภพนี้ ขันนั้นทั้งหมดนั้นมีสภาพดับไปเหมือนกันเมื่อดับแล้วไม่เกิดอีกขันทั้งหมดนั้นมีสภาพดับไปเหมือนกันเมื่อดับแล้วไม่เกิดอีกเมื่อบุคคลเจริญสติละลึกรู้ปัจจุบันแล้วรู้เห็นความดับไปของรูปนามในขณะเห็นได้ยินเหยียดคู ก่อนจะเสียชีวิตย่อมเข้าใจว่ารูปนามในขณะเห็นเป็นต้นมีสภาพดับไปเหมือนรูปนามที่ดับไปเป็นครั้งสุดท้ายในเวลาเสียชีวิตเมื่อดับไปแล้วไม่เกิดอีกเป็นความดับศูนย์ไปในแต่ละขณะขันเหล่าใดดับไปแล้วในอดีตขันเหล่าใดจะดับไปในอนาคตขันทั้งหลายที่ดับไปอยู่ในปัจจุบันระหว่างอดีต และอนาคตขันเหล่านั้นไม่มีความแตกต่างกันเพราะลักษณะที่ดับไปลักษณะคือความดับไปของรูปนามที่ดับไปแล้วจะดับไปหรือกำลังดับอยู่มิได้แตกต่างกันดังนั้นผู้ที่รู้เห็นความดับไปของรูปนามในปัจจุบันขณะย่อมอนุมานรู้รูปนามในอดีตและอนาคต ว่ามีสภาพดับไปเป็นธรรมดาเหมือนรูปนามที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันชาวโลกชื่อว่ายังไม่เกิดด้วยจิตที่ยังไม่เกิดขึ้นชื่อว่ามีชีวิตอยู่ด้วยจิตที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ชื่อว่าตายแล้วเพราะจิตดับไปถึงอย่างนั้นคําบัญญัติว่ามีชีวิตอยู่ก็เหมือนมีจริง เมื่อจิตดวงหนึ่งดวงหนึ่งยังไม่เกิดขึ้นชาวโลกไม่เรียกว่ามีชีวิตอยู่เขาจึงไม่ชื่อว่ามีชีวิตอยู่ด้วยจิตที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่มีชีวิตอยู่ด้วยจิตที่กาลังเกิดขึ้นเพราะจิตดังกล่าวปรากฏชัดเจนแม้จิตที่ดับไปแล้วก็ไม่ได้มีอยู่ในที่ใดที่หนึ่งและไม่ได้เกิดขึ้นอีกจุดติจิตของคนที่เสียชีวิตไปดังนั้น ชาวโลกจึงเรียกว่าตายอยู่ในทุกๆขณะจิตดับอย่างไรก็ตามคาบัญญัติที่ใช้สื่อสารกันทางโลกว่านายขาวมีชีวิตอยู่นายดำมีชีวิตอยู่เหมือนเป็นสิ่งที่มีจริงในขณะพูดจาสื่อสารเพราะมีชีวิตอยู่จริงด้วยจิตดวงใหม่ดวงใหม่ที่เกิดขึ้นรวดเร็วอย่างต่อเนื่อง ถ้าจิตดวงใหม่ไม่เกิดขึ้นต่อแจกจิตดวงเก่าความตายย่อมปรากฏอย่างแน่นอนผู้ปฏิบัติธรรมย่อมรู้เห็นความตายในทุกๆขณะจิตอย่างนี้จึงเข้าใจว่าความตายเหมือนกับความดับไปของจิตดวงหนึ่งดวงหนึ่งที่กำลังรู้ในปัจจุบันสังขารที่ดับไปแล้วไม่ได้มาประชุมกันกองสังขารอนาคตยังไม่มี แม้สังขารที่กําลังเกิดขึ้นก็ดำรงอยู่ชั่วขณะเหมือนมเมล็ดพันธุ์ผักกาดบนปลายเข็มสังขารคือรูปนามที่ดับไปแล้วมีได้หลงเหลืออยู่ในที่แห่งใดแห่งหนึ่งแต่ดับสูญไปโดยสิ้นเชิงสังขารที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่ได้รวมกันรอที่จะเกิดขึ้นต่อไปสังขารที่กำลังเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยมีปรากฏอยู่จริง แต่ดำรงอยู่เพียงชั่วขณะเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในทุกๆขณะจิตเหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดที่ถูกวางไว้บนปลายเข็มแล้วหล่นลงจากปลายเข็มทันทีสังขารและธรรมที่เกิดขึ้นแล้วนั้นมีความดับไปเป็นเบื้องหน้าธรรมดังกล่าวมีสภาพดับไปไม่ปะปนกับสังขารเก่าย่อมดำรงอยู่ชั่วขณะ สังขารทำมาจากที่ซึ่งไม่มีใครพบเห็นแตกดับแล้วไปสู่ความไม่เห็นชอบเกิดขึ้นและดับไปไม่เหมือนสายฟ้าแลบในอากาศขณะนั้นข้อความข้างต้นหมายความว่าก่อนที่สังขารจะเกิดขึ้นมีได้รวมตัวอยู่ในที่ไหนเมื่อเกิดขึ้นจึงไม่ได้เคลื่อนออกมาจากที่ไหน แต่ปรากฏขึ้นตามฐานะโดยคล้อยตามเหตุปัจจัยที่เหมาะสมอีกในหนึ่งมีความหมายว่าก่อนที่สังขารจะเกิดขึ้นสภาพที่มีจริงยังไม่ปรากฏจึงไม่อาจพบเห็นสังขาร น, นั้นได้ต่อเมื่อสังขารปรากฏขึ้นแล้วจึงพบสภาพของสังขารได้จึงกล่าวได้ว่าสังขารมาจากสภาพที่ไม่มีใครพบเห็น และเมื่อสังขารดับไปก็ไม่ได้รวมตัวกันอยู่ที่ไหนแต่ดับไปในที่นั้นเองโดยสภาพที่มีจริงดับศูนย์ไปขนาดเล็กน้อยของสังขารและความดับไปอย่างรวดเร็วตามที่กล่าวไว้ในคาถาเหล่านี้มักปรากฏแก่ผู้ปรารบความเพียรเมื่อบรุอุทยับ พ, พย า, ยานที่รู้เห็นความเกิดดับชัดเจน ผู้ที่มีปัญญาไม่แก่กล้าอาจรู้เห็นได้เมื่อบรุ้ยปัจนาญาณระดับสูงไปกว่าอุทพยญาณยาแต่ผู้มีปัญญาแก่กล้าสามารถรู้เห็นสภาวะอย่างนั้นได้เมื่อบรุ้ยสัมมสนญาณ น, นี้แล้วพระอัตถคตาจารย์จึงกล่าวเรื่องนี้ไว้ในสัมมสนญาณท่านมิได้หมายความว่าทุกคนที่บรลุญาณ น, นี้ จะต้องรู้เห็นอย่างชัดเจนเช่นนั้นเจ็ดพิจารณารูปธรรมดารูปธรรมดาคือรูปภายนอกทั้งหมดที่ได้ชื่อว่าอนินทริยะพัทธรูปคือรูปที่ไม่มีชีวิตไม่มีใจครองเช่นเสื้อผ้า เสือหม้อถ้วยดินน้ำลมไฟท่อนไม้ก้อนหินเป็นต้นผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดรูปเหล่านั้นในขณะเห็นได้ยินรู้กลิน่นลิ้มรสและกระทบสัมผัสแล้วรู้เห็นว่าดับไปโดยไม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนอกจากนั้น ในบางขณะอาจพิจารณาเปรียบเทียบกับรูปภายในและรูปภายนอกที่กำหนดอยู่แล้วอนุมาณรู้ว่ารูปภายนอกทั้งหมดเกิดขึ้นและดับไปเหมือนรูปในปัจจุบันจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน การกำหนดนามทางนามสัตตกะการกำหนดรู้รูปนามให้เห็นพระไตรลักษ์โดยวิธีเจ็ดอย่างหนึ่งกระลาปนายัยคือการกำหนดรู้โดยความเป็นกลุ่มหมายความว่าเมื่อผู้ปฏิบัติทําได้กำหนดรูปอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่แสดงไว้ในรูปเจ็ดประการแล้วต่อมาได้กำหนดสติตามรู้นั้นว่า กำหนดหนอรู้หนอแล้วรู้เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนสองยะมะกะนันายคือการกำหนดรู้โดยความเป็นคู่หมายความว่าผู้ที่กำหนดรู้รูปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วได้กำหนดจิตที่กำหนดรู้รูปดังกล่าวแล้วจึงรู้เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนชื่อว่ากําหนดรู้รูปนามเป็นคู่คู่ความแตกต่างการระหว่างกลาปนายและยมะกนัยคือกลาปนายมุ่งกําหนดภาพรวมของนามธรรมโดยไม่แยกแยะอย่างชัดเจนว่าเป็นจิตสติปัญญาสมาธิวิรยิยะผัสสะเจตนาเวทนา แต่มายะกนายมุ่งกำหนดตามนามธรรมที่ปรากฏชัดเป็นหลักาการกล่าวถึงการกำหนดจิตในหมวดนามสัตตกะนี้เป็นการแสดงจิตที่เป็นประธานดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงควรกำหนดเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตคือภาษาเวทนาเจตนาสัญญาสติปัญญาสมาธิ และวิริยะเป็นต้นอีกด้วยดังคำพีมหาดิกากราวว่าโดยแท้จริงแล้วการแสดงโดยมีจิตเป็นประธานย่อมมี 3. คณิกกนยัยคือการกำหนดรู้ความเป็นไปขณะจิตหมายความว่าเมื่อกำหนดรู้รูปนามแล้ว ให้กำหนดรู้จิตดวงแรกๆด้วยจิตดวงต่อมา4ขณะจิตคือกำหนดรู้จิตดวงที่1ด้วยจิตดวงที่สองกำหนดรู้จิตดวงที่สองด้วยจิตดวงที่สมกำหนดรู้จิตดวงที่สามด้วยจิตดวงที่4กํกำหนดรู้จิตดวงที่4ด้วยจิตดวงที่หจากนั้นจึงเข้าใจว่าแม้จิตดวงที่1ถึงสก็ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนการกําหนดรู้จิตดวงแรกๆตามลําดับอย่างนี้จนครบสี่ขณะจิตทําให้เข้าใจว่าจิตดํารงอยู่เพียงขณะจิตเดียวเท่านั้นจึงมีสภาพไม่เที่ยงเป็นต้น 4. ปฏิปาติไนคือการกําหนดรู้ความเป็นไปตามลําดับหมายความว่าเมื่อกําหนดรู้รูปธรรมแล้ว ให้กำหนดรู้จ Upper ิตดวงแรกๆด้วยจิตดวงต่อมา10ขณะจิตคือกำหนดรู้จิตดวงที่1ด um, <sch> ้วยจิตดวงที่สองกำหนดรู้จิตดวงที่สองด้วยจิตดวงที่3กำหนดรู้จิตดวงที่3ด้วยจิตดวงที่4กำหนดรู้จิตดวงที่4ด้วยจิตดวงที่5ากำหนดรู้จิตดวงที่5ด้วยจิตดวงที่6 กำหนดรู้จิตดวงที่หกด้วยจิตดวงที่7จ็ดกำหนดรู้จิตดวงที่7ด้วยจิตดวงที่แปดกำหนดรู้จิตดวงที่แปดด้วยจิตดวงที่เก้ากำหนดรู้จิตดวงที่เก้าด้วยจิตดวงที่สิบกำหนดรู้จิตดวงที่สิบด้วยจิตดวงที่สิบเอ็ดจากนั้นจึงเข้าใจว่าแม้จิตดวงที่1ถึงก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนการกำหนดรู้จิตดวงแรกๆตามลำดับอย่างนี้จนครบสิบขณะจิตทำให้เข้าใจว่าจิตดำรงอยู่เพียงขณะจิตเดียวเท่านั้นจึงมีสภาพไม่เที่ยงเป็นต้นดังคำพีวิสุธทธิมัรกล่าวว่า 1. ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถกำหนดรู้ตามลำดับวิปัสสนาได้ตลอดวันทั้งสิ้นอย่างนี้ 2แต่ข้าพเจ้าแนะว่าควรหยุดไว้ในจิตดวงที่สิบเพราะการกําหนดรูปและการกําหนดนามย่อมคล่องแคล่วได้จนถึงการพิจารณาจิตดวงที่สิบข้อความนี้หมายความว่าแม้บุคคลอาจกําหนดรู้จิตดวงที่สิบเป็นต้นไปด้วยจิตดวงที่สิอและดวงต่อๆไปอีกได้ตลอดวัน ก็ไม่ควรกําหนดรู้จิตอย่างเดียวแต่ควรกลับมากําหนดรูปเมื่อกําหนดจิตดวงที่สิบแล้วหลังจากนั้นก็จะ ก, กําหนดจิตดวงที่หนึ่งที่กําหนดรูปดังนี้เป็นต้นหลักการพิจารณาทั้งหมดที่ดทได้กล่าวไว้ในเรื่องสมัสนญ า, านนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เทียบเคียงกับวิปัสสนาญาณที่ปรากฏในขณะเจริญสติ ระลึกรู้ตามในที่กล่าวไว้ในปริเชตที่หมิได้มุ่งให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่ควรกังวลว่าต้องกาหนดให้สอดคล้องกับในที่แสดงรูปเจ็อย่างคือในที่แสดงตามเจ็ดอย่างเพราะความกังวลจะทำให้ผู้เริ่มปฏิบัติเกิดความสับสนว่าทำถูกวิธีหรือไม่ ส่งผลให้การเจริญสติไม่ต่อเนื่องและเป็นเหตุให้สมาธิและปัญญาไม่แก่กล้าส่วนบุคคลผู้บรรลุมรรคผลแล้วสามารถเข้าผลสมาบัติอย่างช่ำชองย่อมอาจกำหนดรู้วิปัสนาจิตที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้แม้จะ ก, กำหนดสักหลายพันครั้งก็รู้เห็นได้ชัดเจน บุคคลดังกล่าวอาจจะทดลองกำหนดจิตตามลำดับอย่างนี้แต่คนทั่วไปที่ยังไม่ได้บรรลุมรคผลไม่ควรพยายามกำหนดจิตตามลำดับความจริงแล้วการกำหนดจิตวิปัสนาจิตดวงแรกด้วยจิตดวงหลังตามลำดับนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่ปฏิบัติธรรมโดยทั่วไปเพราะจิตดังกล่าวมักไม่ปรากฏชัดเจน ทำให้ผู้ปฏิบัติต้องสแสวงหาอารมณ์ใหม่เพื่อให้กำหนดรู้ได้ชัดเจนการกระทําเช่นนั้นส่งผลให้การปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรดังนั้นจึงควรกำหนดรู้จิตในเวลาอันเหมาะสมซึ่งปรากฏจิตอย่างชัดเจนดังคำพีมหาดีกาของวิสุทธิมารกล่าวถึงการแสดงอารมณ์ใหม่ในขณะที่จิตไม่ปรากฏชัดว่า เมื่อเป็นอย่างนั้นกรรมฐานก็ต้องมีอารมณ์ใหม่อยู่เสมอโดยแท้อันหนึ่งในพระบาลีและอัตถกถาที่กล่าวเรื่องพังขยานพบข้อที่แสดงถึงการกำหนดรู้รูปและนามสลับกันไปการกำหนดรู้รูปและนามสลับกันไปโดยไม่ได้กำหนดรู้จิตต่อเนื่องจึงเป็นแนวทางในการบรรลุมรรคผลอย่างแน่นอน ทิฏฐิอุคาตน า, นาันคือการกำหนดรู้โดยเพิกทิฏฐิอธิบายได้ว่าผู้ที่ยังรู้สึกถึงความเป็นบุคคลตัวตนว่าเรากำหนดรู้อยู่หรือการกำหนดรู้เป็นงานของเรายังไม่อาจเพิกถอนความเห็นผิดว่ามีตัวตนได้แม้ผู้ปฏิบัติธรรมจะเพิกทิฏฐิได้ด้วยทิฏฐิวิสุทธิ และกังขาวิตรณวิสุทธิก็อาจเกิดทิฏฐิละเอียดได้ในบางขณะเพราะยังขจัดทิฏฐิไม่ได้โดยมักคยานดังคำพีมหาดีกาของวิสุทธิมรรคกล่าวว่าหนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมที่บรรลุสัมมสนาญาณ น, นี้เป็นผู้มีทิฏฐิหมดจดด้การบรรลุทิฏฐิวิสุทธิและกังขาวิตรณะวิสุทธิ แต่ท่านกล่าวไว้อย่างนั้นโดยเนื่องด้วยทิฏฐิละเอียดเพราะยังขจัดทิฏฐิไม่ได้ด้วยมักคยานข้อความข้างต้นนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้ที่บรรลุสัมมสัญญาแล้วยังมีทิฏฐิและวิจิกิจฌาอย่างละเอียดอยู่ผู้ที่รู้เห็นในขณะกาหนดรู้เท่าทันปัจจุบันว่าสังขารที่ไม่ใช่ตัวเรา เป็นสภาพกำหนดรู้สังขารที่ไม่ใช่ตัวเราจึงเป็นผู้เพิกทิฏฐิได้อย่างแท้ จ, จริงการรู้เห็นในลักษณะนี้เป็นอนัตตานุปัสนาที่มีกำลังแก่กล้าแล้วดังข้อความกล่าวว่าการรู้เห็นของผู้เห็นประจักษ์สังขารว่าไม่ใช่ตัวตอนอย่างนี้ชื่อวาการเพริกทิฏฐิหนึ่งเมื่อใด การรู้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนมีกำลังแก่กล้าอาจหารหมดจด 2. การรู้เห็นทั้งสองอย่างอื่นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นสภาพคล้อยตามการรู้เห็นนั้นคือเห็นประจักษ์ความเป็นอนัตตาและอนุมานรู้ความไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ 3. เมื่อ น, นั้นจึงเรียกได้ว่าการกระทำการเพิกทิฏฐิ หมานะสมุขคาตะนะาไนาการกําหนดรู้โดยเพิกมานะอธิบายได้ว่าผู้ที่ยังรู้สึกถึงความเป็นตัวเราว่าดีกว่าบุคคลอื่นกําหนดรู้ได้ดีกว่าคนอื่นจะยังไม่อาจเพิกถอนมานะได้แต่ผู้ที่รู้เห็นในขณะกําหนดรู้เท่านั้นปัจจุบันว่าสังขารที่ไม่เที่ยงเป็นสภาพกําหนดรู้สังขารที่ไม่เที่ยง จึงเป็นผู้เพิกมานะได้อย่างแท้จริงการรู้เห็นในลักษณะนี้เป็นอนิจจานุปัสสนาที่มีกำลังแก่กล้าแล้วดังข้อความที่กล่าวว่าการรู้เห็นของผู้เห็นประจักษ์ว่าไม่เที่ยงชื่อว่าการเพิกมานะ 1. เมื่อใดการรู้เห็นว่าไม่เที่ยงมีกำลังแก่กล้าอาจหารหมดจด 2. การรู้เห็นทั้งสองอย่างอื่นว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเป็นสภาพคล้อยตามการรู้เห็นนั้น 3. เมื่อนั้นจึงเรียกได้ว่ากระทำการเพิกมานะ 7. นิการติปริยาธานามัยคือการกำหนดรู้โดยความสิ้นไปแห่งความยินดีพอใจหมายความว่า ผู้ที่ยังรู้สึกยินดีพอใจในวิปัสสนาว่าเรากําหนดได้ดีสติต่อเนื่องดีนับว่ายังไม่อาจเพิกถอนความยินดีพอใจได้แต่ผู้ที่รู้เห็นในขณะกําหนดรู้เท่าทันปัจจุบันว่าสังข า, ทดดปปารขาที่เกิดดับไปเป็นสภาพกาหนดรู้สังขารที่เกิดดับไปจึงเป็นผู้เพิกความยินดีพอใจ ในวิปัสสนาได้อย่างแท้จริงการรู้เห็นในลักษณะนี้เป็นทุกขานุปัสสนาที่มีกำลังแก่กล้าแล้วดังข้อความกล่าวว่าการรู้เห็นของผู้เห็นประจักษ์ว่าเป็นทุกข์ชื่อว่าเป็นการเพิกความยินดีพอใจหนึ่งเมื่อใดการรู้เห็นว่าเป็นทุกข์มีกำลังแก่กล้า